ทำลาเป็นเครื่องวัดแนะคุบาร์จาังก็คอยแนะนำตักเตือนสิ่งที่ผิดๆนั่นเนี่ยท่านเตือนเราในั้นการปฏิบัติธรรมมีอันตรายที่หลวงพ่อได้ทำมาบางคนไม่รู้บางคนรู้ผู้มีปัญญารู้ได้ด้วยตนเองผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ ต้องอาศัยเพื่อนเลือกปูบาอาจารย์คอยแนะนำว่าอันนั้นมันไม่ควรนั่นจึงว่าเป็นการฟังทั้งเ้าทั้งเย็นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมะบางคนยังไม่ทันรู้อะไรคิดน้นคิดนี้คิดไม่มีทางสิ้นจบอันนั้นรือว่าผมคิดนอกตัวเราไปเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะไม่ได้เรื่องอันนั้น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 คำว่าวิปัสสนานั่นเราก็ไม่รู้คำว่าวิปัสสนุปกิเลสนี่ประหลาดแล้วความเห็นผิดคือมันจิตอันนั้นน่ยมาเอามาเป็นที่ตั้งเอาไว้เมื่อตั้งไว้ผิดปฏิบัติมันก็เลยผิดไปเมื่อตั้งไว้ถูกต้องความเห็นก็เลยถูกต้องเมื่อเรานํามาใช้นํามาปฏิบัติมันก็ได้ผลดีจริง ดังนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้เราคิดฟุ้งออกไปนอกตัวเรารู้บางทีแสดงธรรมะให้คนนั้นคนนี้ฟังหรือพ่อเคยได้ยินบางคนกำลังเดินจมกรมไปเอาสออเอากระดาษไปวางไว้ที่ข้างๆพอดีมันคิดไปบันทึกเอาไว้กลัวมันจะหลงจะลืมอันนั้นคิดแล้วมันเป็นวิปสัสสุตไปแล้วลืมก็ตามมัน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 เป็นความคิดผิดตั้งไว้ผิดผลที่การปฏิบัติของเราก็เลยได้รับทุกขมทุกจริงๆแล้วมันไม่ได้มีที่ตัวเราเราไปเอาความคิดของคนอื่นมาตั้งไว้เราก็เลยมีมทุกข์พูดน้อยๆเราจะให้รู้กันได้ผู้มีปัญญาทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ความคิดนี้เองเมื่อเราไม่รู้ความคิดมันก็เลยคิด พอเดนมันคิดมาแล้วเราก็เลยเข้าไปในความคิดอ น, นั้นเมื่อเข้าไปในความคิดอันนั้นมันก็เลยเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นโลภะเนี่ยเขาเป็นโทสะบางทีคนนั้นพูดให้เราเกิดไม่พอใจขึ้นแต่ความจริงอันไม่พอใจนั้นมันไม่มีที่ตัวเราอันนั้นกัในขณะที่มันเกิดกูไม่พอใจนั่นกับแปลว่าเราลืมตัวเราเรามีโมหะเรามีโทสะมีโลภะ มันเกิดมาปุุงขึ้นมาที่จิตใจของเราอันนั้นก็แปลว่าคนลืมตัวบางครั้งบางข่ า, า, ขาวคนมาสนอเสรยยกรอเราคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีดีละคนนั้นคนนี้เราเกิดพอใจขึ้นมาแล้วก็คิดไปลราคิดไปตามความดีใจก็เป็นโลภเป็นโทสะเป็นโมหะไปแล้วอันนั้นก็ผิดเหมือนกันหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังว่า มืดสีดําคนมองเห็นได้เร็วถ้ามืดสีขาวคนมองเห็นได้ยากมืดสีดําคือขมโกรดนั่นแหะมาแสดงให้ใครๆก็รู้เรื่องขมโกรดนี่เด็กน้อยเขาก็รู้แสดงเขาไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันมีกิริยามลายาตฟุ้งออกมาข้างนอกให้คนเห็นใครก็รู้อันนั้นเรียกว่ามืดสีดําถ้าเป็นมืดสีขาวแบบ น, นี้ มืดสีขาวขมพอใจคนมายกยอรเรามาสนเสริญล้วก็ยิ้มเยลืมตัวอันเนี้มืดสีขาวคนอื่นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาแล้วเขาจะมองรู้ทันทือเนี่ยเอาแล้วขมหลงผิดไปแล้วดังนั้นคขมคิดนี่ที่แรกมันไม่ได้ทุกข์พอดีมันคิดขึ้นมาเราเข้าไปในขมคิด มันจะคิดเป็นโลภะคิดเป็นโทสะเป็นโมหะไปเนยมันเป็นทุกทางนั้นทุกเพราะวมไม่รู้ข่มคิดนี้เองถ้าหากว่าเรามีปัญญามันคิดปุ๊บขึ้นมาเราเห็นทันทีรู้ตัดปับแต่ทันทีมันก็เลยไม่ได้ปรุงดังนั้นสอนวิธีกันนี้สอนง่ายที่สุดพระพปทธเจ้าท่านสอนน้อยที่สุดและท่านไม่ได้สอนมาก เดี๋ยวนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์มาสอนกันมากเลยจักต้นส่วนปลายไม่ได้และบางทีคนที่ปฏิบัตินกักหรือเรามีความรู้เราไปเรียนมาแล้วจากตำรับตำราเราท่องเราจํามาได้หรือบางทีเราไปเข้าโรงเรียนท่องมาแทบจะตายแก้ทุกตัวเองก็ไม่ได้ความรู้อันนั้นเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันมาเป็นเม็ดสองคม มันก็เลยตัดมือเราด้วยอันนั้นแต่ว่ามันมันดีมันดีแต่พูดให้คนอื่นฟังมันไม่ดีที่ที่จะเอามาแก้ตัวเรามันเลยไม่ได้มีประโยชน์มันได้ไม่ได้มีคุณค่ากับตัวเรามันไม่ทําประโยชน์อะไรให้เราทั้งหมดเลยมันทําประโยชน์ให้เราแต่ทุกเท่านั้นดังนั้นคนเราเกิดมาแล้วก็คิดคิดแล้วก็คิดคิดอันนั้นคิดอันนี้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 เป็นไปพร้อมกันทั้งสามอย่างทีเดียวมันไม่ใช่ว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ขึ้นมาแต่มันแสดงคนละเรื่องกันดัง น, น, นั้นการปฏิบัติธรรมะจึงไม่ให้รู้อะไรมากเมื่อมันคิดมามากๆเราไม่สามารถที่จะแก้ความคิดอันนั้นได้เราต้องทํากระตุกเนื้อเราแรงๆทําแรงๆวางมือลงที่ขาเราหรือเราเดินจมกม้มพืเท้าแรงๆ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 เมื่อเราไปตั้งความหวังไปกับคนนั้นไปตั้งความหวังกับคนนี้อ น, นันตทุก์แล้วไม่มีเลยทุกข์เนี่ยไม่มีจริงๆหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาแล้วเข้าใจว่าคนอื่นเอาทุกข์มาให้เราแต่ความจริงเราไปเอาทุกข์มาจากคนอื่นทั้งนั้นคนอื่นน่ะไม่มีใครเอามาให้เราเราไปดึงออกมาเนี่ยมันก็เลยมาทุกข์เมื่อไม่มีทุกข์แล้วก็หาว่าคนนั้นทําให้เราคนนี้ทําให้เราความจริงเราไม่รู้ มันไม่มีเรื่องอะไรนิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อเรารู้ยิย่งกวเส้นผมน้อยกว่าเส้นผมคนที่มีปัญญารู้แก้ทุกข์เนี่ยมันไม่ยากพอดี๋มันคิดปุ๊บโอ๊ยทุกข์แล้วเนี่ยเห็นเท่านี้ก็ใส่ได้แต่ไม่ได้เห็นมากถ้าเห็นมากคนนี้ก็ยิ่งดีไป น, นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องแก้ทุกข์ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลย ไม่มีเลยที่จะสอนให้เป็นพิธีลีตองเป็นเครื่องรางของขังเป็นอันนั้นอันนี้ไม่มีเลยคนใดไปติดอย่างนั้นคนนั้นยังไม่รู้วิธีแก่ทุกข์หรือพูดตรงๆก็เรียกว่าคนนั้นยังไม่รู้หลักพุทธศาสนาจริงๆอันนี้หลวงพ่อรับรองได้เพราะหลวงพ่อเคยทำหลวงพ่อเคยทำบุญเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยทากรรมฐาน เคยเจริญนิพพาแต่ไม่ได้ดูคิดนึกว่าตายแล้วจึงเอาบุญเนี่ยเข้าใจไปอยเลยถ้าเจริญนิพพานก็เจริญไปอย่างนั้นเนะ่ยเป็นนิสัยตายแล้วยังจะได้พ้นไปขมทุกข์มันเข้าใจไปอย่างผิดๆบางคนเจริญนิพพานก็อยากเห็นเดือนเห็นดาวเห็นดวงแก้วดวงคิดดวงจันทร์เห็นอะไรต่างๆนั้นมันของไม่มีอย่าเป็นนึกไปคิดมัน ของไม่มีมันนึกมันปั้นขึ้นมาเองมันอันตัวไม่เห็นกับคิดนั่นแหละมันปั้นขึ้นมาคนเดียวมันเหมือนกับเราที่ไปปลูกบ้านสร้างวิมารในบนสวรรค์นมันไม่มีพื้นฐานมันจะปลูกบ้านได้ไหมมันปลูกไม่ได้มันต้องอาศัยพื้นดินนี้มันจึงจะปลูกบ้านขึ้นมาได้แต่บ้านเนี่ยเราเขาปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกตึกปลูกลานเขายังหาฐานดีๆนี่ขุดดินลงไป วานนี้หลวงพ่อไปที่บ้านเขาปลูกขุดน้อยๆเตี้ยแต่มันไม่ทนทานที่จะปลูกให้มันทนทานจริงๆลงเข็มตอกเข็มลงไปในแน่นจนถึงหินคุน่ะปลูกลงไปมันก็ไม่สุดบ้านหลังนั้นไม่สุดเป็นที่แน่นหนามั่นคงถาวรถ้าไม่ลงเข็มขุดไปเล็กๆน้อยๆปลูกขึ้นไปถ้าเครื่องดีแน่นนะ สุดขึ้นมาสุดขึ้นมากับผังไปทันทีอันนี้ก็เหมือนกันการไปดูควมคิดเนี่ยมันเป็นพลังมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจรึงว่าให้มาดูกวมคิดที่เราไปปลูกบ้านบนสวรรค์มันไม่มีพื้นฐานก็เราไปคิดคนนั้นจะให้ควมสุขแกเราอย่างนั้นคนนี้จะให้กวมสุขแกเราอย่างนี้มีหวังเอาหวังไว้ไปไว่ากับคนนั้นตั้งความหวังไว้กับคนนี้อันนั้นผิดแล้วทุกแล้ว มันทุกข์แล้วเราจะเอากรมทุกข์ของเรานี่แหละไปให้คนนั้นคนนี้อันนี้ผิดผิดอย่างหนักทีเดียววิธีที่จะแก้ก็ไม่ยากเดินจมมังกรมสร้างจังหวะสร้างจังหวะเมื่อมันคิดมันไม่หยุดมันเกินเก็บหัวมันคิดเป็นทุกข์หนักๆล้วก็วางลงที่เท้าเหราแรงๆกึ๊กแลงๆกรมคิดนั่นก็เลยมัน มันมันมีความรู้สึกตัวมันก็เลยวางความคิดอนั้นเหมือนกับปิงเนี่ปิงที่มันเกาะเรามันกินเรามันดูดเลือดเราเราเอามือจับดึงมันออกมันไม่อยากออกติดต้นนั้นมันก็หลุดต้นนี้ปิงมันมีสองขามันเหนียวมันติดเนื้อเราเราไม่ต้องไปจับปิงแบบนี้เรามีวิธีแล้วไม่ต้องไปจับปิงเอายากับปูนไปทรงกับน้ําไปเอาน้ํากับปูนกับยาเนี่ะ คันเข้ากันหรือนวดเข้ากันดีๆแล้วปูนกับยามันได้น้ำวันนี้เราก็จับเอาปูนกับยานั้นเอาน้ํำน่ะมาบีบเส้นเนื้อเราพอดีเนื้อเรามันได้รับกับน้ำปูนน้ำยานมันไหลลงไปทึบกับปากปิงปิ่งมันล่นคนเดียวมันเนี่ยมันเป็นวิธีวิธีพูดเนี่ยนี่มันมันมันมันเป็นเพียงที่สอนให้คำเท่านั้นเองอย่างนั้นเมื่อเรามาทําทุกเที่มันเลยวางทั้งสองเท้าปิง มันก็เลยไม่มีอารมณ์มันก็เลยมารู้สึกตัวเมื่อมันรู้สึกตัวปิงมันก็ไม่ดูด ก, กินเลือดเราเราก็ไม่เจ็บสมมุติให้ฟังเมื่อในขณะปิงดูด ท, ที่กินเลือดกินเนื้อเรานั้นเราเจ็บเราเจ็บเรารู้ว่าปิงกัดเราแต่เราก็มาดึงปิงออกพอาะที่ดึงปิงออกเลือดมันติดปากปิงไปบางทีเนื้อเราขาดไปก็ได้นะปิงนี่แต่หลวงพ่อไม่ไม่เคยรู้มากเท่าไหร่เรีว่าดึงปิงดึงทากออกจากเนื้อจากตัวแล้วเลือดมันไหลออกมา ถ้าเฮ็ดอย่างที่วิธีหลวงพ่อพูดนี้เอาปูนกับยาเนี่ยบีบน้ําลาดลงไปแล้วมันมันกลัวตายเนี่ยปิงกับยามันเป็นพิษมันเป็นอันตรายซึ่งกันลและกันมันวางเลยมันเลยไม่ดูดเลือดเราไปเราก็ไม่เจ็บมันหล่นลงคนเดียวมันผลที่สุดปิงตายเลยอืถ้าเอายาเอาปูนยองปิงเขามันตายเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรา จะพยายามหาวิธีอยากให้มันวางความคิดอันนั้นเราไปดูหนังดูภาคพยนต์ดูลิเกลาครไปดูอะไรต่างๆล้วไปกบกมทุกไว้ไม่ใช่ไปแก้ทุกอันเหไปกบทุกเอาเหมือนกับสุมไฟขึ้นแล้วเอาเท้าหรือเอาดินไปกบไว้ไฟมันไม่ดับไฟมันมีเสื้ออยู่ที่ตรงนั้นเราอยากไปทำอย่างนั้นพอดีไฟมันลุกขึ้นมาเราเอานา้าไปรด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 บางคนว่าทุกข์ไม่มีเงินไม่มีข้าวไม่มีของไม่มีรถยนต์ทุกข์เจ็บหัวปวดท้องอันนั้นมันความคิดผิดทุกข์เกิดขึ้นคือความคิดนี่แหละมันคิดปุ๊บขึ้นมาเราไม่เห็นมันสร้างทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นแล้วบัด น, นี้เมื่อเราไม่รู้วิถีมันก็คิดคิดอันนั้นคิดอันนี้คนมันจริงอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ ไปไหนมาไหนไปด้วยทุกทางนั้นเอาทุกนั้นแหละเป็นอารมณ์ยองใส่ศีรสะไปไปไหนก็เอาทุกตั้นไปอันนั้นไปว่าผิดตั้งผมงไว้พิษเนี่ยจะไปเข้าใจอย่างนั้นทุกคนที่พูดนี่เราต้องตั้งใจมันคิดตัดทิ้งทันทีรู้อะไรก็ตามให้มันมารู้อยู่ที่รูปที่น้ํานี่เองรูปได้แก่ร่างกายน้ำได้แค่จิตใจเคลื่อนไหวขึ้นมันเป็นรูปเป็นน้ําอย่าไปแยกมันอันเนี้ย นัหนึ่งนี่มันเป็นรูปอันที่รูปเป็นนามอย่าไปแยกมันพอดีมันไหวก็ตามมันไม่ไหวก็ตามมันรู้มันเป็นรูปอันนี้เรียกว่าเป็นรูปเป็นนามนามรูปเนี่ยมันสองอันรูปนามนามรูปมันเป็นคนละคนกันเมื่อเรารู้รูปนามอันนี้ม uh ันเป็นรูปอันนี้นามรูปอันมันมันไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นรูปนามตายเห็นจับถูกอันนี้เขาเรียกว่ารูปนามนามรูป เรามองไม่เห็นด้วยตาพอดีมันคิดมาปุ๊บเราเห็นปับ๊บแต่ไม่ใช่ตาเห็นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาไปรู้อันนั้นเดียวว่านามรูปนามรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทั้งนามมันเป็นทั้งรูปมันเป็นรูปคิดขึ้นมานตัวเวทนาก็สเสวยอารมณ์เราเคยพูดจากนั้นเวทนาสัญญาก็หมายถึงหมายรู้และจําได้ สังขารเรียกว่าปรุงวิญญาณเรียกว่ารู้มันรู้แล้วมันเข้าไปในความรู้อันนั้นอันนั้นพระพุทธเจ้าหรือศาสนาใดก็ตามเนี้ยท่านผู้ลูกกล่าวเอาไ ว, ว้ว่าอวิชาเป็นว่าคมไม่รู้เรามาแปลไปกนันแต่ความจริงมันถูกน้อยมันไม่ถูกมากคําว่าอวิชาเนี่ยเราไม่รู้ออกจากความคิดอันนั้นมันเข้าไปในความคิดอันนั้นมันเป็นความรู้ที่แก้ทุกข์ไม่ได้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 มันเป็นทุกข์แล้วอนะมันตกนรลกแห่งสิ่งอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปตั้งความหวังเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ได้ตั้งความหวังกับใครทั้งหมดเลยตั้งแต่เมื่ออายุสี่สิบหกปีพุ่ะมาปีสองพันห้าร้อยลวงพ่อไม่ได้ตั้งความคิดแว้กับใครทั้งหมดไม่ได้มีความหวัง้กับคนนั้นไม่ได้มีความหวังกับคนนี้ไม่หวังต่ออะไรทั้งหมดเรามาดูตัวเรานี่เองอเลยมาเห็นอันนี้มาเข้าใจอันนี้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 ถ้าหาแก้ทุกข์ไม่ได้อันนั้ น, ปนแปลว่าคนยังไม่รู้หลักพุทธศาสนารู้เนอะรู้จํามาจากคําพูดของคนนั้นคนนี้รู้จํามาจากตำลับตาราไม่ได้รู้ตัวจริงดังนั้นคนเรียนรู้มากๆเอาหัวไปฝังมากับความรู้อันนั้นแหละเข้าไปในความรู้อันนั้นจึงว่ามีทุกข์มากคนบางคนหลวงพ่อไปดูที่วัดสุนประทานปีติดแปดนั่นแหะ คนเชียงใหม่มีลูกสาวคนเดียวพ่อแม่เป็นคนรวยมากมีโรงสีมีโร ง, งงานมีโรงน้ําแข็งมีอะไรหลายอยา่างไปเรียนหนังสือจากเมืองนอกไปเรียนหนังสือจากประเทศอเมริกาพอดีสอบไรายได้เป็นปริยามาจะเป็นปริญาโทรหรือปริญาเอ ไ, อไม่รู้พอแม่รู้แต่คุณแดงเล่าให้ฟังพอดีเข้ามาถึงบ้าน มันมันตั้งความหวังไว้ผิดมันไม่ได้สมหวั ง, งพอดีมาถึงบ้านไม่ถึงห้าวันหนึ่งสองวันสามวันกระโดดตึกมาตั้งแต่หลังตึกเก้าสันไม่ใช่โดดทีละสันนะโดดมาทีเดียวนะล่วงถึงดินทีเดียวลูกหักเลยมันไม่ใช่ตายทันทีลูกหักเลยลูกหักแล้วมันยังหายใจได้เขาเอาไปโรงพยาบาลคุณแดงไปแล้วให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อ ถ้ามันไม่ตายจริงๆหนูจะมาฟังหลวงพ่อจะรับได้ได้ได้ทั้งนั้นนะหลวงพ่อไม่ได้มาผู้หญิงผู้ชายหลวงพ่อรับได้ทั้งนั้นจะถือศาสนาไหนหลวงพ่อรับได้ทั้งนั้นถ้ามีลมหายใจถ้าคนใดไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิมากเกินไปหลวงพ่อพูดได้สอนได้แต่ว่าสอนแล้วไม่เอาก็ถือว่าคนนั้นมีมานะมีทิฏฐิแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปทุกข์กับคนนั้นคนนั้นจะทุกข์ถึงมันตายก็ทุกข์ไปเถอะหลวงพ่อไม่ได้ งดงอไม่ได้สะจันคนนั้นคน น, นี้ทั้งหมดเลยหลวงพ่อแก้ตัวหลวงพ่อไม่มีทุกข์กพอแล้วแต่หลวงพ่อจะพูดเรื่องหลวงพ่อไม่มีทุกข์เท่านั้น <S <S พอดีได้ห้าวันคุณแดงไปรายงานวาตายแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็เลยไม่รู้เงินทองอันนั้นมีประโยชน์อะไรแล้วมันช่วยอะไรเราได้ผมรู้ไปเรียนปริญญามาจากเมืองนอกน่ะมันช่วยอะไรได้มันช่วยได้ที่ตายนั่นแหละตายนั่นแนี่มันช่วยได้คือตายนั่นแะ อันนั้นเดียวว่าอวิชาแปว่าผมไม่รู้มันรู้แล้วมันเข้าไปในผวมรู้มันตั้งความหวังไว้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนี้หวังคู่ครองอย่างนั้นหวังคู่ครองอย่างนี้มันก็นเลยผิดหวังคนผิดหวังคนสมัยนี้เขาเรียกว่าวคนอกหักคนอกหักแต่หลวงพ่อไม่รู้หรอกคนอกหักหนี่หลวงพ่อเพิ่งมาได้ยินใหม่ๆนี่แหละหลวงพ่อไม่รู้จริงๆเพื่อนจะรู้ไหม ใครๆรู้คาว่า อ, อกหักรู้หรู้ไหมอ๋อพอรู้มันเป็นยังไงคข อ, อกหักพูดให้ฟังรนนู้อันนีมีคนรักกั น, นอันเ ะ, ะคนรัก่ม่ี่นี่รักเขาจีอันนี้นนนนนอ๋อน่นเป็นคน อ, อกหักติอันนี้ของคนนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็นได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะรักเราเนี่ย แล้วไปเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยไปเรียนหนังสือเมืองนอกกันเข้ามาในเมืองไทยนึกว่าจะมาแต่งงานกับเขาเขาไม่ได้เรื่องเขาไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานกับเรานี่แหละคนมันเสียหวังเสียหลักอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าคนอกอันคนมาปฏิบัติธรรมะ ก, ก็เหมือนกันนึกว่าเราจะรู้อันนั้นนึกว่าเราจะรู้อันนี้บางคนนะตัวตัวหลวงพ่อเองอันนี้คิดอย่างนี้ เนื่องว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะมีฤทธิ์มีเดชจะมองเห็นดินฟ้าอากาศบางครั้งจะมองเห็นรถตะลลีคุณบางครั้งี่มองบางครั้งมันนึกว่าจะมองเห็นจิตใจตัดใจใส่ปอดของคนนี่มันคิดไปสารพัดสารเพไปอันนั้นมันตั้งผมคิดขึ้นมามันอิดอยากไปตั้งใจเลย่ทุกคนที่พูดนี้พอดีมันคิดมารีบมารู้ตัวเราปล่อยเลยอันมันรู้ออกจากคังนอกนั้น เรียกว่าวิปัสสนูปักกิเลสมันเป็นกิเลสแล้วมันคิดถึงคนนั้นคนนี้อันนั้นเรีกิเลสกิเลสไม่ใช่มีตัวมีตนนะเอเราไม่เห็นใจเราก็แปลว่าคนนั้นไม่เห็นกิเลสแล้วบางคนเข้าใจวพระอหรหันเนี่ยเหาะได้มองเห็นตับใจไส้ปอดมองเห็นอันนั้นอันนี้โอ้พระอหรหันแบบคนนั้นคิดมันคนบ้าคิดคนบ้าคิดมันต้องคิดอย่างนั้น แต่คนมีปัญญาคิดมันไม่ได้คิดอย่างนั้นหลวงพ่อเป็นบ้ามาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีเคยปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีเป็นเนรนอนจนถึงอายุสี่สิบหกปีเป็นบ้ามาอย่างนั้นแหละมามีครอบมีครัวก็เป็นบ้าอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่รู้ความจริงพระอราหันต์นั้นไม่มีไม่เรื่องอะไรพระอราหันต์หมายถึงแก้ทุกได้เท่านั้นเองอย่าไปเข้าใจว่าต้องมองเห็นจิตใจคนนั้น มองเห็นจิตใจคนนี้มองทะลุไปโออันนั้นมันเข้าใจผิดมันจะมองเห็นจิตใจคนนมองเห็นจิตใจเ่านี่มันคิดอันไหนเรารู้เราเห็นเราเข้าใจแก้ได้นี่อันนี้แหละที่ว่าเห็นแจ้งเห็นจริงรู้แจ้งรู้จริงมันมีจริงจริงคนมันมีคิดมันมีไม่คิดมันมีเสยเสยมันมีดีใจมันมีเสียใจ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 อย่างที่พูดเมื่อกี้ใน อ, อกหักเนี่ยเขามาต่อว่าต่อเถียงยุบเราทําอย่างนั้นเอาคมหวังให้เราเรารู้ทันทีเออคนนี้หลอกเราแล้วสร้างคมหวังพิษแล้วเราเลิกได้ทันทีอันนี้ไปว่าหูทิศไม่ใช่หูทิศจะไปฟังคนพูดอยู่กรุงเทพพูดเราอยู่ที่นี่ฟังได้ยินไม่ใช่อย่างนั้นคนพูดอยู่จังหวัดต่างๆเราได้ยินมันไม่เป็นอย่างเราได้ยินกับหูเหล่านี้เองคนนั้นพูดให้เรา ยัวเราบางทีมีจดหมายให้กันก็นได้นะตั้งควมหวังเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็มีนะอย่าไปเข้าใจกันอย่าไปตั้างควมหวังนะให้ตั้งควมหวังไว้ที่เราแก้ปัญหาที่เราคนอื่นแก้ให้เราไม่ได้ผีก็แก้ให้ไม่ได้เทวดาก็แก้ให้ไม่ได้ที่สุดพระเจ้าเองก็แก้ให้ไม่ได้มีแต่ท่านแนะนําเท่านั้นเนี่ยอันนี้หลวงพอได้ยินเจ้าคณะอําเภอเสียงคาน พระคูบิสิธรรมจารย์นี่หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อบวชในสมัยเป็นหนุ่มแต่บวชครั้งนี้ก็ท่านเป็นอุปส า, าห์ะ่ะท่านสอนว่าอคหาตาโลตถ า, าคาตาอันนี้เป็นภาษาบาลีแปลว่าถ้าตถาคตนั้นนะ่ะเป็นเตท่ทวงเพียงผู้แนะแนววิธีปฏิบัติเท่านั้นเองการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอทําเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองท่านสอน อย่างที่เราสวดกันเมื่อกี้ในปก็เมอนกันสันที่ติโกอันผู้รู่จะเพิ่งเห็นเองอาการดีโกไม่ประกอบการเลเวลาเนี่ยใครจะรู้จิตใจเราอ้าวนั่งอยู่ที่นี่ยบางคนคิดไปนอกจงังหวัดก็มีถ้าหากผู้ใดมีแฟนอย่างแม่ขาวในวนันนี้แม่มาเล่าให้ฟังว่าแฟนคิดถึงอยากมาดูเนี่ยมันแต่ใครไม่ไม่รู้ไม่เห็นมามาม า, มาบนบวดนี่แม่ขาวใช่ไหมมาบนบวดใช่ไหมนี่นี่แหละ มาบนบ่นรล้แฟนอยู่ทางบ้านคิดถึงอยากมาดูไว้มันมันไวที่สุดกลมคิดเนี่ยเราอยู่ที่นี่คิดแป๊บถึงเสียงใหม่ถึงที่ไหนก็ถึงแล้วนี่แหละมันสําคัญกลมคิดนี่มันเร็วที่สุดเร็วกว่าแสงฟ้าแลบเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละเป็นปัญหาที่เราควรศึกษาคนอื่นรู้ด้วยเราไม่ได้อันนี้รู้ด้วยเราคนเดียวสมกับที่เราสวนมาสันทิติโก อันผู้ลูกจะพึงเห็นเองเนี่ยเราเห็นเองคนเดียวคนอื่นเห็นด้วยเราไม่ได้บางทีมันคิดไปถึงคนนั้นคิดไปถึงลูกก็ได้อย่างที่หลวงพ่อในนี้ลูกน่บางทีมันจะคิดไปถึงลูกก็ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีแฟนแล้วเดี๋ยวเนี้ในบ้านตายแล้วมันไม่คิดถึงแล้ว <c oughs> ไม่คิดถึงแล้วนี่เป็นไงบางทีถ้ามีมันคิดถึงอันได้กลมคิดอันนี้แล้วมันเจ็บทางใจเนี่ยเพราะว่าเจพเมถุนเนี่ยมันเจ็บทางใจเจ็บทางกาย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 ให้เขาใหญ่ย่างถ้าใครฟังแล้วนำไปแก้ปัญหาตัวเองได้จริง